ควนแตบเวลาแล้วยกมือใส่หวัวขอฟังอีกนิดหน่อยก่อนออนาทีก็ไม่อยู่คนแถวกันโอ้ประหลายดูปถ้ า, า, า ท, ที่นี่ก็มาเพิ่มสิสะกดกินมาก เอาของออกจากเมื่อเล่าในใจเราเหตุพอจๆกันๆไม่อยู่นิ่งๆนุ่งเป็นไหม ม, มาวัดทำบุญถ้าพูดเป็นบาปอจากมาใ้ทำบุญเราทำตรงที่นี่อยู่ทวัดหลวงปู่ก็ทำอย่างนี้ทุกเช้า ทำวัดข้าวต่ก่อนทำวัดจะเกิดกุมนุษยด้วยพระแต่ไหทานแน่แต่จิตจิตบาตของทานของรักทุกขรักของรักษ า, า, ากายคือทําทานไม่ใช่ทําบุญแต่วัดทําบุญทําทานก็พูดกั น, นไม่ทําบุญด้วยวกกเราจะโกหกตนเองนละโกอกหมู่พวกบอกหมู่พวกว่าสีพระสงฆ์มาไปทําบุญนั่นเห็นไงล่ะ ถ้าเราไม่ทำบุญก็โกหกตัเองโกหกมาทั้งพระไม่บอกอีกพระก็บาปอีกมูลพามาพาทำบุญบ้านนีมน่มูลมาพาทำบุญแล้วก็ไปดูที่ก็ไปดูแล้วที่เหมาะสำหรับที่เหมาะแต่ว่าผู้อยู่ต้องไปหาผู้อยู่ก่อนที่ที่ไหนก็คนสบายเยอะแต่สำหรับผู้ที่ไปอยู่ ผมเจตนาผมอยาติโยกอยากให้พระมาอยู่พระมาอยู่อะไรทีนี้อยู่พระโยมทำบุญทำทานพระโยมทำทานทำบุญหน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระศีล ส, สมาธิปัญญาทำไงศีลจริงแก่บริสุทธ์ต้องคิดอ่านค่อควรพิจาณาศีล ส, สำคัญ สมาธิก็สำคัญเมื่อชี้ทานผิญบุญประว่าได้คุณจะจะเกิดปัญญาถ้าเห็นบุญก็เห็นบาสนี่เคยดูไหมใครใครเคยดูบ้างทุกวันทุกวันไหมมีไหมไปดูทุกวันดูลมยกมือขึ้นดูสิมีใครดูลมทุกวันตอนละหนึ่งนาทีไม่มีนั่น อาหานใจเข้าใจไหมทําไมไม่ดูใจทําไมไปแต่งแต่ร่างกายนู่นของร่างกายสําหรับร่างกายเนี่เต็มไปหมดพระอีกหมื่นลูกกว่าฉันไม่หมดนันนี่พระนิยมของคนไทยที่ไม่ทําบุญเป็นอย่างนี้เห็นไหมของนี่แป๊บเดียวทําไมพระยุ่งกว็ว่าทำบุญสำหรับหงพ่อว่าทําบาปทําไมพระยุ่ง อาหารถ้าพระพิสุสงฆ์รักอาหารเกินพอฉันรับศพเป็นบาปเกินขอปากบาปไม่ได้อย่างมากที่สุดเอิมรินปากบาสนะถ้ารับมากเป็นบาปทําให้เกิดกิเลสทําให้เกิอดอยากถึงแบบมีพระสมัยก่อนยังมีพระทะเลาะ ก, กันอยู่จังหวัดเลย <c oughs> เรื่องพระตากเขาแห้งขาย ก็โยมให่นหลายนก็ไปตาขา ย, ยากตัวหน่ิดแล้วเท่าไหรตาเมือนั่นมือนี่ก็หลายลก็ย้ า, า, ายิางโยมจัวะเยก็พ่ขายไปวัดได้ใส่บาทเสร็จแล้วก็แล้ว้แต่คนเสร็จันเนรื่องไม่ฉันแหละโอ้มาหั่ก็ใส่ห่อนี่แหละสมัยก่อ น, นไม่ค่อยมีหรอกห่ออาหารกับข้าวไว้สองวันสามวันจึให้ห่อหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สาหรับพระป่าอยู่ในลึกป่าลึ ก, ลก แต่ยุบ้านแม่หลวงบอกให้ลูกหลานเราไปส่งไปวางไว้ใส่เป็นโตใส่ถ้วยไปวางไว้แต่พระนะทำํำไมพระเกิดกองโลกแทนที่จะช่วยพระสงรักษาพระศาสนาถ้าเห็นอาหารพอในบาทพอฉันแล้วนี่มรรงปู่กับวัดนิมนรคพระคุณเจ้ากับวัดนั่นแ่ะเป็นบุญช่วยพระสงฆถากีิเลสเนี่ ญาติโยมถามถืว่าเป็นบาตรหลวงปู่นั่นแหละเป็นบุญทำให้พระนาบาทเป็นมอที่แพร่หลวงพ่อจะให้พระถันในบ้านเลยวันเาร์วันนี้สาาอยู่กลางบ้านเปิดยมส่บาทางเรามาเนี่ยฉันเสร็จแล้วล่างบาตเด็ดเสร็จแล้วสะพายบาทเป่ากลับวัดเลยทากลมเพียนนั่งเดินกลมไปในตัวเลย อยากให้มีปัญญาคนเราขาดตันทร์ทำบุญไม่มีปัญญาศีาาาลสมาธิปัญญ า, า, ญญาความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาอะไรสังขารคือความปรุงแต่งเราไม่รู้สังขารมันปรุงแต่งอะไรรักโลกโกรธหลงถ้าพูดมากถ้าพูดน้อยก็รักโลกนี่ตัวโมโนโลกน้อยใจความรักกับความโลภความโลภมาจากไหนร่ารวยความรักมาจากไหนจากสวยงามใจของคนมันไปติดอยู่กับร่ารวยสวยงาม นางมโนราท้าวสีทนตามนางมโนราเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงไปเจอเจออยู่ไหนเมืองภูเงิน <c oughs> มโนคือใจ <c oughs> เอาธรรมะเข้ามาแปลดูสิสีทนจะเห็นใจเพราะใช้ความอดทน <c oughs> อดทนดูใจอดทนแต่งใจอดทนรักษาใจรักษาใจอาหารใจไม่ได้ซื้อดูอลงเข้าลงบอกไปซื้อไหมมุจจีนทาไมไม่ดูใจมันตายไม่เป็น สังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแกเจ็บตายบางทีแม่ขาวไฟเจาฟ้าฝงสวดทุกวันไม่ใช่หรือแ้ยังโคเมกาโยโกายของเรานี่แหละมาพิจารณาสังขารร่างกายอีกนะ เวลาทำ ม, มุมีเทลังอนาทิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไปยาทิขํมมุมผีกปยาทิงอนาทิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทรมุมมีมรณังอนาทิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เจ <c oughs> ็บฝืนความจริงของพระเจ้าได้อย่างไรนี่คำคำของพระพุทธเจ้านะเอา คำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่ฟังพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปเชื่อพระให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำบุญคำพูดพูดทำบุญเราในนกแก้วตราปก็แต่ว่าเราทำให้ทีดูบุญเห็นบุญเห็นไหมเหหมื่อกี้สบายไหมบุญคือของเบาไปวัดตะ บ, บุญมาจะาไปไหว้ที่เอาของไม่พระยุ่งรถเท่าไรเต็มไปหมดถ้าเข้ากรุงเทพหรือมาเมืองนี่ก็เต็มอีกแล้ว ทําไมพระดุงเดียวไม่พระเนรนู้ที่เกี่ยนดาวอะไรก็ญาโจมมาทรงให้อะไรก็ญาติจาโจมทําให้พระตะบงซีวอนไม่เก็บไม่รักษาเพราะว่าอะไรมันเยอะเพราะโยมมาให้เยอะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบังคับพระผูผ้ทรงให้ใช้ผ้ามาหาบางตะกูลให้ผ้าพันตกให้ใช่ผ้าหอทบเพื่อได้พิจารณาว่า นั่นผ้าเรานุ่งหอ่อเหมือนตัวของเราแล้วก็ห่อของปติกูลที่เราเอามานุ่งห่มก็ของปฏิกูลเอามาจากของปฏิกูลของบูรของเนา่า <c oughs> ยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละ <c oughs> เมืองคนแต่พื้นเท้าขึ้นมา <c oughs> เพื่องตําแต่ไปผมลงไปน่าจะปริยันโตมีหนังไปที่อยู่หุ้มรอบ ทายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แอได้ยินไหมยังพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นทำไมไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นไหมละ่ะหูฟันตาสีฟันใส่สองสมหลอดที่ห้องนั้นไม่ดีคอนเจ ด, ดีตาดอกบัวดีตานุ่นดีสีอยู่ยาแต่บูมันก็ดีอยู่หอมอยู่ตะบูแต่ตัวคนมันบอกหอม นั่นปวดความปวดความเนานะ <c oughs> อยากให้ทําตามคําพูดพูดอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่ง <c oughs> พระพุทเจ้าสอนสินสอนธรรให้ทำตามพระพุทเจ้าพเจ้าหาสินหาธํามหกปีถึงได้ตัดสุรูเราเอาเปียพกพระพุทธเจ้าแล้วบอกทําวันหนึ่งข้า้งหนึ่งหนึ่งนาทีวันหนึ่งห น, น, หนึ่งนาทีวันหนึ่งไม่กี่นาทีคิดดู ทำไมทำไม่ ไ, มได้อาหารใจเราจะรู้จักทางไปสวรรค์ไหมถ้าไม่เคยดูเหมือนมาที่นี่ถามคนไม่รู้เขาก็บอกไม่ถูกถ้าคนได้มาดูมาเห็นแล้วง่ายทางไปฟนิพานทางไปสวรรค์เราไม่ต้องพูดถึงฟนิพานเราพูดสวรรค์เสียก่อนเมื่ี้ไหนสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจมันได้ไปเหาหานะเราพูดที่เจ้าให้เหาหาที่ใจเห็นไหมเมื่อกี้เห็นสวรรค์ไหม พาทำบุญหรือพาดูสวรรค์ก็ว่าได้ให้ทำเป็นทานบอกให้ทำบุญเป็นทานบอกให้ดูบุญเป็นทานมันเบาเบาไห่ลมได้ซื้อไหมทำไมทำไม่ได้หรอกถ้าได้ซื้อหรอลมแพงกว่าข้าวหน้าโภชนะอาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เป็นเวลาข้าวหน้าโภชนะอาหารเป็นเวลาแต่อาหารใจอะลมเข้าลมออกมีเวลาไหม รับไปแล้วก็ใช่ลมกอกอกกอกก็อ น, นั้นทำไมไม่ดูหรอกไม่ได้ซื้อเชด้วยถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกนะพระในประเทศใทยมีกี่รูปมีกี่วัดต่อทาบุญโย ม, มอะไรสวายสวดนนเจ้ า, าจสา้สวดนสดนสนสว้สวดน้นตรวดน้น้ำน้ำสวดน้ำสวน้ำสวดนน้ำสวดน้ำสวลง้ำสวดลงน้สว ไปไปติดตั้งแต่อามิปูชายังไม่เต็มไปหมดมันนั่นอามิปูชาของทานทําบุญเห็นไหมง่ายไหมทําไมไม่ทําของ่ายง่ายไม่มีใครบอกเขาบอกพระพุทธเจ้าที่อาศิณหาทำมาสอนคนเราเป็นคนไหมแต่ทําไมไม่เชื่อพระพทธเจ้าไปเชื่อทําไมพระ่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงพ่อต้องมีพระ น, นะ <im it> อเอาเหตุผลของพระเจ้ามาพูดดูฟัง พราพุทธเจ้าว่าพูดเรียงเก่งพระรเจ้าจึงไม่ให้เชื่อพระไม่ให้เชื่อหนังสือตำราคำโบราณว่าก็ใช่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์นี่ในมีหลายระดับระดับทางโลกเพว่าครูบาอาจารย์พระพุทธงค์กับอาจารย์ไม่หนังสือเขียนมาก็เหมือนกันนี่ไม่รู้ว่าอาจารย์รูปหนึ่งเขียนหนึ่งหนึ่งอาจารย์รูปหนึ่งเขียนหนึ่งห น, นึ่งเห็นไม่ยังมีเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเราตังถูกจับ รู้ศึกก็ไม่สึกแล้วพระบวตรศาะสนาพระธรรมยในของพระเจ้าไม่ถึงสองว่ายี่สิเจ็แค่ห้าสิบข้อร้อห้าสิบข้อยังมีแล้วแต่ะะว่ายางไงล่เชื่อเนี่ยผมรู้จักให้เชื่อเนี่ยคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอ้างดีกว่าเราด้จากพระพุทธเจ้าเพราะว่าสงฆ์เจ้าไหมพระเจ้าหาศิลหาธรรมด้วยลมหายใจเข้าออก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 ผมทุกวันในลูกหลานนผมดำๆก็ยอมมีสีแดงเห็นตึกนัด่ะสีแดงแดงขนคิก็เขียนไหคนตาจะเขียนไหมเล็บมือเขียนไหมดังก็แตงนไหมเนื้อหนังพังสังึ้นว่าเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้ว่ง้องกันอยู่ได้ยินว่าล่ะร้านสันจะกรรมไม่ดีทาให้สันเกิดเป็นโรคมะเร็งนั่นหรือมะเร็งจมูกเดี๋ยวมเร็เงปา มาเลงขนตาแล้วไม่เอาตาผีใสมาขายบนนลูกหลานอยู่อังกฤษไปทามวยนั่งไปเอาแล็ p ผูไหนมาหัดแต่งขายล่ะกามีพลาสติกหอกหลงปูเพรามันล็ p มือผีหรอกลูกหลานไปทำสัญญากรรมอยู่เมืองอังกฤษนมุมนู้งปูไปดูเครื่องทำขนเครื่องกำจัดขนราคาเจ็ดล้านโอ้ เปนเฝ้าเิแล้วไปเฝ้าเหตุมือคิดงานก็เจ้าไปเฝ้าเสริมสวยอ่ะลูกธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาตินั่งนั่งน้องมาหลายแทะเขามาคอยเสริมสวยหลวงปู่ที่นีดูสิเสริมเล็บนี่กี่นาทีเสริมขนตากี่นาทีเขียนเชีวอีกนาทีแต่งฟันอีกกี่นาที จะหาหมอจังแพทยเดียวไปได้จะไปหาเสริมนี่มันไม่ได้เล็บมือสิบเล็บน่ะยยี่สิบเล็บตึงเล็บตีนอีกก้วย <c oughs> ของพระบัทสมเด็จพระเจ้าปู่จุ๋ว่าไงยินดีกับของได้พอใจกับของมีของเรามีมาแล้วรักษาแค่นั่นก็พอใจแล้วไปแต่งให้มันกิเลสหลแต่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจ ด, ด, ดีอยู่แล้วแต่เรากิเลสเยอะบ้านเดียว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 เท่าไรอาหารในี่ยคนไทยเลยประเทศเดียวกันแต่ไปทำลายกันต่างกระเทศเขาซื้ออาหารกินหมดแล้วเขาก็เอาขยะใส่ขงเขาจ่ายเขาก็ไปสองไทยเราสิ้นเดือนค่อยเอาเต็มโต๊ะอยู่นี่สร้งมาเต็มโต๊ะขุนเด้บบัดมาด้วยสิไปสิ้นเดือนค่อยเอาสิ้นเดือนค่อยจ่ายลงบัญชีเอาไว้เป็นบ้บนานเรบรรยน่าไปซื้อข้าวมาเขาให้ขาา้าวฟรีบอ วันด้โตเตียงให่ไอ้เจ้าหม้มาปอบาดถึงกับบางบางบางกุ่มก็จินโดนทำนี้ตาเปียกไปแขอยู่หันเถียงกันเล่นนี้ยังยูหันตมุขตั้งประเทศเขารองข้างเขาก็ว่าขาแล้วล่ะพวกนี้นั่งบอลกสุกบอไซทั้งภาษาบ้านนอกเจ้าปะล่ะของธรรมชาติเป็นดีแล้วเล็บธรรมชาติเรามีแล้ว ถ้าวัตัดออกล่องดูผมจะบัตัดออกไปเมื่อเกิดมาเบื้งโดกจะถึงใส่ายว่าผีว่เด็กมือมึงดูจิถึงใส่เ็ตีมึงดูจะเบิ่งเบิ่งได้บ้าเนี่ยยิงชิดนากกวัวยิ่งก้คนก็ติดแต่งดีแด่ขาดอย่างเดียวถ้าพูดก็ไม่สิ้น ส, ส, สุดเราพอดรอดฟันไม่ซึ้นสุดเรื่องของโลกเข้ามาหาพระพุทเจ้าดีกว่า ทำบุญเห็นบุญเห็นศีลเห็นสันทำสวรรค์ดูสวรรค์เห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ล้วก็ไปพนิุพาน์ใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากโพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมคำว่าประพัดสวังจิตตังธรรมชาตใจทุกดวงมันใสสะอาดเม่มีมีร่างกายหรอกร่างกายได้ทีหลังนะ ต้องมีคุณพ่อคุณแม่มื่มีการมีงานแต่งงานกันนั่นแต่ก่อนจึงจะมีร่างกายมีคนเดียวไม่ได้ร่างกายร่างกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ของเราแต่เรื่องเท่าไรแต่งเท่าไรรักษาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ใจไม่แย่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมไม่ดูเพราเราไม่รู้เราไม่ ไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเว็นถือแต่ร่างกายตัวกูตัวกูตัวกู้ใครไปต้องไปด้านนี้ก็ว่าก็ได้โอ้ยใช่เหม็นแท้เกียดเขาทันทีที่สาทุเอาลองว่าถึงใจ ย, ยังดูนิดกวดตัวได้นน่ถ้าผู้มีปัญญาโอ้สาทุละหนังเอ้ยเป็นคือเจ้าว่านเราคอยบวชคอยนอี่ดีไม่มีปัญห า, ย า, ยยายตาตาตาตาเหม็นกล้ยเหม็ น, มนส ปาโตมันจะมาวาคพณดยังไง ร, รูปสันซื่อน้ำหอมมะไหามาจากสร้างประเทศส่นคุณเป็นเรื่องเป็ล่าทะเลาะกันได้ๆก็น้ำหอมหอมอยุ่แต่ว่าโตคน้นแท้ๆกันบ่หอมเราขาดการดูใจไม่เห็นจุดนี้ไม่รู้จุดนี้ว่าเรามันหลงแค่ไหนโลกะคือความมืดครอบงำจิตใจของสัตว์โลก ดูทีถามตนเองนั่นแหละเราอยู่คนเมื่อต์ไหมเราเป็นคนไหมแต่เชื่อพุทธเจ้าไม่ทําตามพระพุทธเจ้าไหมเรือนจําอยู่ที่ไหนทุกจังหวัดเต็มไปหมดเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปป้นไปกี้ไปฆ่าไปตีไปคดไปโกงใครทําไมคนไทยเท่าพุทธทำอะือไปทํากันอย่างนั้นพก็ขาดอย่างเดียวขาดเข้าวัดภาวนาขาดเข้าวัดทาบุญท่านสิงภาวนาท่านถิงภาวนาต้องแปลจากภาวนาว่าทําบุญดีกว่า เขาวัดทำบุญนั่นเห็นไหมเอาร้องไปดูศีรษะสิรษวัดไปดูมีกี่วัดจะบอกทำบุญมันไม่ได้ซื้อนะ ถ, ถ้าได้ซื้อลุงปู่ไม่บอกนะถ้าดูจุดนี้เห็นจุดนี้แล้วนั่นแหะเวลาเจ้ากรรมในเวรไปถามตาใจชื่อ น, นอยายกรนายขอใจก่ยยอจะเ น, นี่มานีมาตอนที่ตั้งใจว่าจะไปดูบุญ เห็นทางไปสวรรค์ไหมบุญคือทางไปสวรรค์นะอะไรตอบเขาถ้าเขาถามไม่ดูเพราะว่าเรื่องของจิตมันหนีไม่ได้เจ้ากรรมในเวรกรรมมุนาวัตติโลโกตัดโลกเป่นไปตามกรรมกรรมบีบัรคับแล้วไม่เหมือนมีร่างกายเนี่ยในเรามามีเม้่ยบุญกันที่วรือนะมีร่างสารร่างกายปฏิสูจน์่าดูพบคาสอนของพรเจ้านี่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 ผมคิดไม่เดยดนะใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำความวุฒเจ้ามาปแปลไม่เข้าใจเราว่าบากคืออะไรขอให้ร่ด้วยก็เป็นบุญขอให้สวยงามกับเป็นบุญนะมันสวน ง, งานตรงไหนธรรมชาติของสังขารร่างกายถลอกเสื่อออกถลอกหนังออกถลอกกระดูกออกเข้าไปเลยกระดูกก็ไปวิเคราะอะไรบ้างในนั้น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 เห็นไมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ใครมีใครไปทายทํานายบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้แต่สรู้ทําไมถึงกับหกปีปีแรกแรกก็มีแต่ดูลมหายใจเขาออกไปไหนจันไหนทําไม่ได้แต่สรู้มันเพราะยังไม่โูคทั้งหมดโลกะวิตูโลกแก้งโรคหมดคือความเป็นจริงของโลกมันเป็นยังไงควาเป็นจริงของสังขารมันเป็นยังไง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 ควรสวยงามเป็นนรกควยังไงทะเลาะกันหึงกันผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงก็ไปพูดผู้ชายไม่ได้หึงกันจ้างนักขาลูกข่าเนี่ยจ้างข่าผัวก็มีเป็นทนรกบ่เอาดูลมมือจี้เป็นสวรรค์บ่ได้ซื้อไหมล่ะสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจนั่นเชียงจำ้ำไม่ได้เสียเงินหลวงปู่เชียงจำ้ำไม่ได้ซื้อนะ ในฐานะที่ออกตอนจะจงลูกหลานจะติดีน้องกิตศศารัตนาลองปู่มาดูที่ <c oughs> หลวงู่ก็ไปดูที่แล้ว <c oughs> มันดีหมดที่ทีงไหนก็ดีแต่ต้องผู้ที่จะมาอยู่ <c oughs> นั่นมันสำคัญผู้ที่อยู่ผู้พาทม <c oughs> เดี๋ยวพายังไม่รู้จักของยากของโยมรักษาของยากของโยมหรือกับพระยิ้ใจแตกหราะ โอ้เขาขายปูตัวไหนเขามอไปปูเดินก็ไปขายข้างหน้าเสร็จผมก็ได้นั่นเห็นว่าละ่ะถ้าจุดใจว่าไปฝึกหมักทางปฏิบัติเพื่อคว่ำพ้นทุกข์จริงๆมันยากแต่ไหวง่ายแต่ว่าผู้จะพาปฏิบัติต่อไปนั่นถูกต้องแลน่สาหรับช า, า, าววดญาโยมแต่แงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยากให้มีก็ปฏิบัติในทางใ น, ใ น, ในตามแนวทางของผู้เจ้ามาเพื่อโปรดเราคนญาติโยมนั่น อะไรหายากสุปฏิปโนหรือพระอรหันต์มีคําสอนของพระเจ้าทำตามใครทำตามคําสอนของพระเจ้าพระโกลิพนานยังมีอยู่ยกเว้นเฉพาะไม่ทําตามคําสอนของพระเจ้าจึงไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นสันนิพานธ์พระเจ้าไม่ได้เอาสวรรค์นิพาน์ไปด้วยอยู่ในใจของพวกเธอพุกท่านทุกโูก ผู้จะสั่งสอนของพวกเธอทุกท่านทุกลกที่จะไมพพระเจ้าจะลาปรีนิพานจากพระกรกปรีนพานจากพระพิชิตสูงนั่นพระพิชิตสูงบทใหม่ไว้เข้าใจก็ร้องห่มร้องให้ไม่มีใครสอนพระธรรมยินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายเย็บพระธรรมยินัยเป็นครูเป็นยังไงสิ่งทตามคําสอนของเจ้าขอเจ้าบอกงดเว้นอะไรก็งดเว้นสิ่งไหนถูก สิงไม่ผิดผู้เจ้าบอกแล้วต้องทําตามคําของพู้เจ้าไม่ต้องบอกว่าไปนิพพานได้หรือไม่ได้ปัญจะตังรู้จำเพราะตนเหมือนมาที่นี่ใครมาเห็นเองรู้เองไปมาผลนิพพานใครดูรู้เองเห็นเองนั่นคําของพู้เจ้าบอกไปแล้วจะไปบอกว่าพระนิพพานเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนี้ใครจะไปรู้ใครจะไปเชื่อผู้เจ้าสิ่งห้ามพระที่สูงส่งจะไปพูดว่าวสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นก็จะไปเชื่อได้ยังไงคุยบอกจําแล้วจําอีกเห็นไหมล่ะไปไหนไปไหนหลวงปู่ไปจําแล้วไปถามดูสิหลวงปู่บอกว่าให้นั่งสมาธิทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีได้ทํำไหมผมยังทําไม่ได้หลวงปู่นั่นเห็นไหมล่ะแต่ว่ายังไง <c oughs> ทําคําสอนของพุทธเจ้ายากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ทัานท่านที่ไม่ได้ชื่อทําไมจึงทำไม่ได้โอ้ถามที่หัวใจเราดูฮะ เรื่องน่ามุ่งกุศลเอาตนจด้ชมโกหลายได้สืบส่น้องได้เสียสละราธนาพระเจ้าประสงพระแม่สุภาจารมาเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญกุศลมุ่กุศลเจ้เราและทาเ่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงและสิ่งเศรษฐีทั้งหลายในสาคนโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรกษเอาตนได้ชมกหลานจะ้ีิ่น้องมีแตความสุขคนเจริญสุกกายสุกใจ ทำ ง, งานจึงใด้สรรเงินจึงใด้ศาสนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสาเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในรัชทันคําสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้ง อ, อกตั้งใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เติม <c oughs> <c oughs>